บทนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตของท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายสืบต่อไปจะได้กล่าวในอริมักมีองค์8ประการข้อที่สคือสมา ก, กมันตะที่แปลว่าทำการงานชอบคำว่าทำการงานชอบในองค์อริมักนั้น ทรงหมายเอาการงดเว้นจากการทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้จะงดเว้นจากการประพฤติผิดในกรรมซึ่งอยู่ในศีลห้าประการนั่นเองแต่ว่าในขั้นขององค์อริยมรรค น, นถึงแม้ว่าชื่อของธรรมะจะเหมือนกันแต่ว่าขั้นของการประพฤติปฏิบัติ จะมีความเป็นนิแตกต่างกันออกไปเพราะมีจุดหมายปลายทางในการที่จะสงบประงับดับเวรภัยจากการประพฤติผิดศีลสามข้อเหล่านี้และข้อที่ควรสังเกตอีกประการหนึ่งก็คือว่าเรื่ององค์อริยมรทั้ง8ปประการนั้นถ้าจะอุปมาแล้วก็เหมือนกับแกงถ้วยหนึ่งนั่นเองแกงถ้วยหนึ่งนั้น มีเครื่องปรุงหลายอย่างเครื่องปรุงแต่ละอย่างก็ได้ทำหน้าที่ของตนไปในขณะเดียวกันก็อิงอาศัยกันเมื่อผสมกันถูกสัดส่วนก็กลายเป็นแกงที่มีรสชาติอร่อยตามที่ต้องการองค์ริมักทั้ง8ปประการก็มีลักษณะอย่างนั้นปัญญาเห็นชอบที่บังเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคล ก่อให้เกิดเป็นความดำริคือความนึกคิดในทางที่ชอบองคธรรมทั้งสองประการนี้ถือว่าเป็นองธรรมที่สำคัญเพราะเป็นเรื่องของปัญญาเมื่อองรรสองประการมีอยู่แล้ววาจาชอบก็จะบังเกิดขึ้นและการงานชอบก็จะติดตามามาการงดเว้นจากการทำสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกกล่วงไป ในขั้นขององค์อริมักนั้นจะต้องเกิดขึ้นด้วยเจตนาอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นว่ามีการสมาทานมีการสํานึกถึงเหตุผลผิดชอบชั่วดีแล้วคงงดเวน้นหรือว่าตัดขาดจากการละเมิดเหล่านั้นด้วยผลของการประพฤติปฏิบัติตามองค์อริยมักทั้ง8ประการนั้น จะต้องออกมาในรูปของตัดขาดคือตัดขาดจากการทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปการทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปในขั้นของศีลนั้นท่านก็กำหนดด้วยเจตนาเป็นหลักคือถ้าหากว่าเป็นการกระทําไปโดยไม่เจตนาศีลก็ไม่ถึงกับขาดแต่ท่านก็ถือว่ามีความบกพร่องไป เจตนาวินาศงดเว้นในการทำสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไปนั้นจำแนกออกได้เป็นหลายนัยยะด้วยกันนัยยะแรกคือเป็นการทำลายชีวิตสัตว์จริงๆคือให้ตายไปเลยจะเป็นคนหรือสัตว์ก็ตามในกรณีนี้บาปจะมากหรือจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับวัตถุคือสิ่งที่ต้องตาย เจตนาคือความจงใจที่เกิดขึ้นภายในจิตของบุคคลก่อนกระทำกรรมนั้นและความพยายามคือความพยายามที่กระทำนั้นหนักหรืออ่อนตามแรงของกิเลสถ้าหากว่าทั้งสามประการแรงบาปก็มากถ้าสามประการอ่อนบาปก็อ่อนลงหน่อยแต่ว่าเรื่องจะไม่บาปนั้นไม่มี การทำชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไปจึงเป็นเรื่องของจิตใจที่กรอบด้วยโลภะโทสะโมหะในขณะเดียวกันการงดเว้นไม่กระทำดังกล่าวก็เป็นเรื่องของจิตที่ประกอบด้วยความไม่โลภไม่โกรธโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือไม่หลงเมื่อบุคคลไม่หลงในทางประพฤติปฏิบัติในการนารงชีวิตแล้ว การประพฤติกระทําในลักษณะละเมิดต่อชีวิตของบุคคลอื่นก็จะบังเกิดขึ้นไม่ได้อีกประการหนึ่งนั้นอยู่ในขั้นของการเบียดเบียนคือไม่ถึงกับฆ่าให้ตายแต่ว่าทําความเจ็บปวดรวดราวให้บังเกิดขึ้นแก่ชีวิตของสัตว์เแ่านั้นเช่นว่าทุบตีปราดประหารเป็นต้น บางครั้งบางคราวก็เป็นเรื่องของการทรมานสัตว์เช่นว่าเอาสัตว์ไปปลูกกล้ามไว้ในที่ที่ขาดความอิสระต ล, ลอดถึงการกักขังสัตว์โดยลักษณะต่างๆการทรกรรมสัตว์เช่นนำสัตว์มาผจนกันนำโคมาชนกันนาม้ามาแข่งกันนำปลามากัดกันเป็นต้นการกระทาเหล่านี้ อาศัยความรู้สึกขั้นพื้นฐานตามคุณสมบัติของมนุษย์ที่ว่าเป็นสัตว์ซึ่งมีเหตุผลหรือมีใจสูงรู้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์ก็สามารถน้อมนำมาพินิษพิจารณาให้เห็นโทษของการกระทำเช่นนั้นและผลดีของการไม่กระทำเช่นนั้นได้อย่างที่ทรงใช้ว่า สัตว์ทั้งหลายย่อมสะดุ้งต่ออาจารย์ย่อดหวาดกลัวต่ออาจาร์บุคคลควรทำตนให้เป็นอุปมาแล้วไม่ควรเบียดเบียนสัตว์อื่นไม่ควรประทุษร้ายสัตว์อื่นด้วยการทำตนเป็นอุปมาณนั้นหมายความว่าบุคคลอาจจะตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าถ้าเขานำเราไปไปจนเช่นนั้นทรมานเช่นนั้น หรือว่ามีใครมาฆ่าเราเราจะชอบไหมก็ตอบได้ทันทีว่าไม่ชอบเมื่อไม่ชอบคนอื่นก็มีความรู้สึกโดยทํานองเดียวกันในขณะเดียวกันนั้นถึงแม้ว่าจะอยู่ในขั้นศีลแต่ว่าเวลาทรงสแสดงอธิบายก็ทรงสแสดงอธิบายในลักษณะที่เป็นธรรมะไปด้วยคือทรง ทรงสั่งสอนให้บุคคลมี德ญาที่แปลว่าความเอ็นดูต่อสัตว์ทั้งหลายความเอ็นดูนั้นบางเกิดขึ้นด้วยพื้นฐานทางจิตที่กรอบด้วยกรุณาตามปกติแล้วมักจะเห็นคนอื่นสัตว์อื่นประสบความทุกข์ความเดือดร้อนหรือว่าไม่แข็งแรงไปต้นก็เกิดความเอ็นดูในบุคคลนั้นและให้กรอบด้วยความเมตตา คือความรักความปรารถนาดีต่อสัตว์ทั้งหลายโดยการทำตนเองให้เป็นอุปมาว่าเรารักสุขไม่ต้องการความทุกข์ฉั้นใดแม้คนอื่นสัตว์อื่นก็ต้องการความสุขและไม่ต้องการความทุกข์เช่นเดียวกันฉะนั้นต่อแต่นั้นก็ให้ตั้งจิตแผ่ไปว่าขอให้สัตว์ทั้งหลาย จะได้มีเวรจะได้มีภยัยจะได้เบียดเบียนกันจะได้ประทุสร้ายกันจงดำรงตนอยู่เป็นสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนในเชิงของการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนั้นทรงแสดงว่ามีศัตราอันวางแล้วมีอาวุธอันวางแล้วมีเครื่องประหารอันวางแล้วถึงความสำรวมระวัง ในสัตว์ทั้งหลายในที่นี้หมายความว่าไม่มีเครื่องประหารไม่มีเครื่องทำรายสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นใจมีความรู้สึกโดยนยะดังที่ได้กล่าวมาแล้วเมื่อต้องเกี่ยวข้องกับคนและสัตว์ทั้งหลายเราอื่นก็มีความสํารวมระวังมาให้เกิด การกระทาในลักษณะที่มีการเบียดเบียนกันไม่ว่าจะโดยการฆ่าการทำให้เจ็บปวดการทรมานหรือการทรกรรมกร็ตาข้อนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงเปล่งเป็นพระพุทธอุษธานก่อนที่จะตัดสินพระไทยโปรตัตว โ, โลกเมื่อประทับจูที่ต้นจิกชื่อโมุจิลินเป็นใจความว่า ความไม่เบียดเบียนกันคือการสํารวมในสัตว์ทั้งหลายเป็นความสุขในโลกดังนี้ข้อนี้เป็นเครื่องชี้เห็นว่าถ้าหากว่ามวลมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่กันโดยไม่มีการเบียดเบียนกันในร่างกายดังที่ได้กล่าวมาแล้วความส ง, งบสุขต่างๆก็จะบังเกิดขึ้นในสังคมในหมู่มนุษย์ น, นั้น ข้อนี้จึงเป็นในขั้นของศีลได้แก่เจตนางดเว้นดังที่ได้กล่าวแล้วและในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องของธรรมะคือความเอ็นดูความเมตตาความกรุณาความปราณีต่อสัตว์เล่านั้นและจะต้องแสดงออกมาในลักษณะที่มีศัตราอาวุธเครื่องประหารที่วางลงแล้วสำรวมระวังไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่ง ระหว่างตนเองกับบุคคลอื่นและสัตว์อื่นจากที่ได้กล่าวมานี้เป็นเครื่องเชียร์เห็นว่าการงดเว้นตามสิกขาบทนั้นจะต้องมีธรรมะเข้าสนับสนุนคุ้มครองใจเมื่อจะพิสูจน์ว่าใจได้รับการคุ้มครองจากธรรมะหรือไม่ก็ต้องแสดงออกมาได้ด้วยการสำรวมระวัง เมื่อกระบเมื่อเกี่ยวข้องกับคนไร้สารทั้งหลายดังที่กล่าบมาแล้วข้อสุดท้ายจึงเป็นบทพิสูจน์ความมีศีลข้อนี้ว่ามีอยู่จริงหรือไม่ในข้อที่สองนั้นได้แก่การงดเว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมยลักษณะการถือเอานั้นกำหนดขึ้นเป็นองว่า ทรัพน์นั้นเจ้าของเขาหวงแหนเรารู้ว่าเจ้าของเขาหวงแหนมีจิตคิดจะรักทำความพยายามที่จะรักแล้วก็ได้สิ่งนั้นมาด้วยความพยายามนั้นจะได้มาด้วยวิธีใดก็ตามเมื่อมีองค์ประกอบถูกต้องดังที่ได้กราบมาแล้วการกระทำเช่นนั้นย่อมชื่อว่าเป็นอธินาทานทั้งหมด ลักษณะของอาทินนาธานจึงมีขอบข่ายที่กว้างไกลามากบางครั้งแม้แต่การตู่เอาที่ของบุคคลอื่นการโฉกการจิงการปลอมการแปลงต่างๆก็อยู่ในขั้นของอาทินนาธานด้วยกันทั้งนั้นทรงแสดงลักษณะของอาทินนาธานเอาไว้ในช่วงแรกเรียกว่าจรูรรกมคือการลักการปล้นการจี้ดังที่กล่าว ข้อที่สองเรียกว่าสมโจรคือสมรู้ร่วมคิดกับโจรเช่นว่ารับของโจรเป็นต้นและช่วงที่สนั้นเป็นฉายาจุรกรรมคือไม่ได้ถึงกับว่ามีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแต่ว่าจะต้องรับผิดชอบในการกระทำที่เกิดขึ้นเหล่านั้นเช่นว่าหยิบของไปโดยไม่เจตนาที่จะลัก แต่ว่าไปหยิบของคนซึ่งเราไม่คุ้นเคยกันอย่างนี้ก็ถืออยู่ในขอบข่ายของฉายาโจรกรรมตลอดถึงว่าการขายสิ่งของบอกว่าเป็นของดีแต่ว่าไม่ดีดังที่บอกของนั้นดีอยู่พอสมควรก็อยู่ในขอบขายของฉายาโจรกรรมเช่นเดียวกันให้ลองสังเกตว่าการฆ่าสัตว์ก็ดี การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ก็ดีนั้นเป็นการกระทำไปด้วยอำนาจอำนาจพื้นฐานที่แท้จริงก็คือความหลงแล้วแสดงออกมาในรูปของโลภบางโกรธบ้างอย่างในการฆ่าสัตว์นั้นบางครั้งก็ฆ่าเพราะโลภบางครั้งก็ฆ่าเพราะโกรธแต่ว่าใจต้องประกอบด้วยความหลงอยู่การถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ก็เหมือนกัน โดยมากแล้วจะถือเอาเพราะความโลภแต่ก็มีไม่น้อยที่ถือเอาเพราะความโกรธโดยมีโมหะคือความหลงเป็นตัวกระตุน้นเป็นตัวนำจิตใจของบุคคลให้แสดงออกมาในลักษณะนั้นในข้อนี้ได้ทรงแสดงหลักในการที่จะงดเว้นคือให้ดำรงชีวิตของตนอยู่ด้วย สมาธิบัจจในขั้นของการแสวงหาก็ให้แสวงหาด้วยความเพียรพยายามของตนเองเรียกแรงกําลังทรัพย์กำลังกายกําลังความคิดกําลังคนของตนเองจะได้เท่าไหร่นั้นก็ไม่เป็นเรื่องที่ผิดศีลธรรมแต่ประการใดเมื่อได้มาเท่าไหร่แล้วก็ให้มีความพอใจมีความยินดีเฉพาะในส่วนนั้นไม่ปล่อยให้ความโลภ ความเพ่งเลงโลภอยากได้ในทรัพสมบัติของคนอื่นเกิดขึ้นรุ่มรุมใจเพราะว่าทรัพน์นั้นแปลว่าวัตถุเป็นเครื่องปลื้มใจถ้าหากว่าคนแสวงหาแล้วได้มาไม่เกิดความพอใจในสิ่งที่ตนได้มาทรัพก็ไม่ได้ชื่อว่าเป็นทรัพเพราะไม่นำความปลื้มใจมาให้เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นและในขั้นของการบริโภคใช้สอย ก็ทรงสอนให้มีหลักที่เรียกว่าสมะชีวิตาคือเลี้ยงชีวิตพอสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่ตนหามาได้ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปการปฏิบัติในลักษณะนี้จะเห็นได้ว่าเป็นการควบคุมความประพฤติของคนให้อยู่ในคันลองแห่งธรรมะไม่ไปประพฤติผิดต่อทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่น แนวคิดที่เป็นพื้นฐานนั้นคือทําตนเป็นอุปมาเช่นเดียวกับที่ได้กล่าวมาแล้วเหมือนกันแต่ว่าการถื อ, อสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้นั้นก็ทรงกําหนดลักษณะประการหนึ่งเอาไว้ว่าไม่เป็นอธินาฐานเรียกว่าเป็นการถือเอาโดยวิสาสะในฐานที่มีความคุ้นเคยกันแต่ว่าการจะถือความคุ้นเคยเป็นหลักนั้นก็ต้องอาศัยองค์ประกอบ ซึ่งทรงแสดงไว้ว่าเป็นผู้เคยเห็นกันมาเคยคบกันมาเคยพูดกันไว้และคนนั้นยังมีชีวิตอยู่คือจะไปถือวิสาสะของคนที่ตายแล้วไม่ได้และเมื่อถือเอาแล้วเจ้าของเขาพอใจในกรณีที่เจ้าของเขาเกิดไม่พอใจขึ้นมานั้นชั้นของการถือเอาไม่ปรับเป็นอาทิตนาทาน แต่ว่าจะต้องสำนองคืนคือ น, นำของมาคืนให้เขาหรือซื้อของในขนาดเดียวกันชนิดเดียวกันมาคืนให้เขาเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อรักษาจิตใจของบุคคลทั้งสองฝ่ายคือตนเองก็ไม่ต้องเกิดวิปฏิสานใจคนอื่นก็ไม่ต้องเกิดน้อยเนื้อตามใจเพราะการกระทำของเราเป็นเหตุในข้อต่อไปก็คือเรื่องของ กามเมสุมิชฌาจารย์ในองค์อริยมรรคนั้นทรงแสดงไว้สองนัยะก็ขึ้นอยู่กับว่าทรงแสดงแก่ใครถ้าหากว่าทรงแสดงแก่ภิกษุในข้อที่สมนี้ก็ใช้คําว่าอภรรมเจริญญาคือการประพฤติเพียงดังพรมได้แก่การงดเว้นจากเปรุนธรรมแต่ถ้าหากว่าทรงแสดงทั่วๆไป โดยจะใช้คําว่ากามเมสุมิฉาจาราเวรเมณีซึ่งแปลเป็นใจความว่ามีเจตนาวิรัติงดเว้นจากการประพฤติผิตในทางการมการประพฤติผิดในทาง ก, าการรนกมนั้นหมายถึงการละเมิดต่อบุคคลซึ่งเป็นที่รักของอีกฝ่ายหนึ่งและเก่การละเมิดในสามีภัญญาของการเลิกันนี้เป็นความรู้โดยทั่วไป แล้ว่าในขั้นขององค์อริยมรรคกันแล้วผู้ชายจะละเมิดในสตรีทุกชนิดไม่ได้เลยพระทรงกําหนดสตรีไว้ยี่สิบประเภทด้วยกันไม่มีสตรีอื่นนอกจาก20ประเภทเหล่านั้นเช่นทรงแสดงว่าการละเมิดในสตรีที่มารดารักษาบิดารักษามารดากับบิดารักษาพี่ชายรักษาพี่สาวรักษาน้องชายรักษาเป็นต้นธรำเนียมรักษา เป็นคนที่อยู่ในกรอบระเบียบประเพณีเป็นต้นเพราะงั้นจะไม่มีสตรีอะไรที่ละเมิดในเรื่องศีลข้อที่สามได้นอกจากพัญญาของตอนเองการสตรีก็ทานองเดียวกันคือจะมีบุรุษอยู่ย0่สบประเภทเช่นเดียวกันแล้วไม่มีบุรุษอื่นนอกจาก20สิบประเภทเหล่านี้นี่ในขั้นของการประพฤติปฏิบัติที่ประณีตลงไป ในขั้นของธรรมะจึงทรงใช้คำว่ากามาสงวนคือมีความสำรวมระวังในเรื่องการสำรวมระวังในเรื่องการนั้นในขั้นของธรรมะยังกระจายออกไปจากที่ได้กล่าวมาแล้วคือหมายความถึงว่ารับสำรวมระวังจิตใจของตนไม่คิดฟุ้งซ่านไปถึงรูปถึงเสียงถึงกลิ่นถึงรส ถ, ถึงผุทธภะ และแม้แต่อารมณ์ที่น่าคร่ายน่าปราถนาน่าพอใจเรื่องเหล่านั้นอาจจะเป็นเรื่องซึ่งเคยเกิดขึ้นแล้วในอดีตแล้วก็นํามาจึกนึกด้วยความชื่นชมยินดีเช่นว่าจึกนึกถึงสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวมีความเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้เป็นต้นแล้วก็นํามาจึกนึกด้วยความชื่นชมบางครั้งก็นึกถึงเรื่อง ที่สนทนากระเภทตรงกันข้ามแล้วก็นำมาชื่นชมบางครั้งไปเห็นคนอื่นเขารักใครยินดีซึ่ง ก, กันและกันเราก็ปรารถนาที่จะเป็นเช่นนั้นบ้างมีความชื่นชมกับการเป็นเช่นนั้นก็นี้จะเห็นได้ว่าในเชิงความเปลี่ยนแปลงทางจิตนั้นเป็นเรื่องของจิตใจโดยตรงแต่ว่าในขั้นขององค์อริยมรรคนั้น ทรงแสดงว่าเป็นเมถุนสังโยคคือจิตใจไปตรึกนึกที่ยังกอบด้วยเมตุนธรรมให้ลองสังเกตดูว่าเมื่อบุคคลทำความส ง, งบใจอยู่แต่ว่าใจเป็นเหนี่ยวนึกในลักษณะอย่างนั้นอาจจะนึกถึงเรื่องอดีตการนานไกลสมัยที่เป็นหนุ่มๆสาวๆและยังเป็นวัยรุ่นอยู่ซึ่งก็ไกลเล้วเกินจิตใจในขณะนั้นต้องเศร้าหมอง มีดีบอลบางเกิดขึ้นภายในใจคือกามฉันความส ง, งบทางใจจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยเพระาะฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้จึงทรงแสดงไว้ในขั้นของศีลว่าฝ่ายสามีนั้นจะต้องมีสธาระสันโดษคือยินดีในพัญญาของตนเองฝ่ายพัญญานั้นก็ให้มีปฏิวัติคือมีความจงรักภักดีต่อสามีของตน แต่ว่าในส่วนที่เป็นธรรมะแล้วชงทรงใช้คำการามมาสควรคือมีความสำรวมในกามทั้งหลายโดยหมายถึงการเหนี่ยวนึกถึงวัตถุ ก, การามทั้งห้าประการดังที่กล่าวมแล้วด้วยข้อนี้เมื่อบุคคลลงมือประพฤติปฏิบัติไปแล้วก็จะเห็นได้ว่าถ้าหากว่าบุคคลสำรวมระวังได้เฉพาะในขั้นศีล แต่ว่าจิตใจยังแกว่งยังแกว่งไปด้วยอำนาจของกามฉันคือสึกนึกในสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจอยู่แล้วความส ง, งบก็จะบังเกิดขึ้นไม่ได้เมื่อความส ง, งบบังเกิดขึ้นไม่ได้จิตใจก็จะถูกกลุ่มรุมด้วยนิวรณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือกามฉันและตามปกติจิตแล้วมักจะไหลไปในอารมณ์ที่ใคร่ ที่ปรารถนาที่น่าพอใจทรงอุปมาใจว่าเหมือนกับปลาซึ่งเกิดเจริญเติบโตอาศัยอยู่ในน้ำเมื่อบุคคลยกปลานั้นขึ้นมาจากน้ำปลาก็ต้องดิ้นเพื่อจะกลับไปสู่น้ำอีกฉชนใดจิตใจที่บุคคลยกขึ้นมาจากอะไรคือกามคุณก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเช่นนั้น เพราะว่าจิตนั้นเกิดขึ้นดำรงอยู่เจริญเติบโตและอาศัยอยู่ด้วยกายมาคนเวลาจะยกขึ้นมาจากอารมณ์เดล่านั้นก็ต้องแข่งต้องดิ้นรนเพื่อจะกลับไปถ้าหากว่าขาดการขาดการมาสังบรแล้วก็ถือว่าเป็นการสร้างกำแพงขวางกั้นแม้ความสงบบังเกิดขึ้นเรื่องของความสงบ กับความไม่สงบนั้นเป็นสิ่งที่เกิดร่วมกันไม่ได้เมื่อฝ่ายหนึ่งบางเกิดขึ้นอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องสงบไปเช่นเดียวกับความมืดและแสงสว่างจะปรากฏขึ้นในจุดเดียวกันในขณะเดียวกันไม่ได้ในที่ใดมีความมืดปรากฏอยู่ในที่นั้นแสงสว่างจะมีไม่ได้ในขณะนั้น และในขณะเดียวกันถ้าแสงสว่างปรากฏอยู่ความมืดก็ปรากฏขึ้นมาไม่ได้จันั้นเรื่องของสัมมาคัมมันตะที่แปลว่าการงานชอบนั้นให้สังเกตว่าเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติโดยตรงท่านสาธุชนอาจจะสงสัยว่าการประกอบกิจการงานต่างๆไม่เป็นการงานที่ชอบหรือข้อนี้ไม่จัดไว้ในสัมมาคัมมันตะ แต่ทรงจัดไว้ในสมมาอาชีวะที่แปลว่าการเลี้ยงชีวิตในทางที่ชอบเรื่องของสมมากรรมันตะจึงเป็นเรื่องของศีลสามข้อกับธรรมะสามข้อแต่ว่าในขั้นของการประพฤติปฏิบัตินั้นมีความประณีตยิ่งขึ้นไปแทนที่จะพูดเฉพาะการฆ่าสัตว์กา ร, รลักทรัพย์การประพ ฤ, ฤติผิดในการม นั้นเป็นการพูดในขั้นเบื้องต้นเท่านั้นไม่ใช่ขั้นมรรคแต่ถ้าขั้นของมรรคจะต้องมีความประนีตบางส่วนก็เกี่ยวโยงไปถึงใจยกตัวอย่างในขั้นของศีลข้อที่หนึ่งเพื่อเมื่อมาถึงธรรมะแล้วแม้ใจนึกคิดด้วยความอาฆาตพยาบาทต้องการที่จะแช่งปรารถนาที่จะให้สัตว์ให้คนพินาศไป แม้ว่าเราจะไม่กระทำเองก็ตามในด้านธรรมะก็ผิดธรรมะในขั้นศีลไม่ถึงก็ผิดศีลในอทินนาทานก็มีลักษณะอย่างนั้นเกิดสิ่งที่เรียกว่าอภิชาวิสมโลภะคือเพ่งเลงโลภอยากได้ของของบุคคลอื่นปรารถนาที่จะได้สิ่งเหล่านั้นในขั้นของศีลไม่ผิดศีลแต่ในขั้นของสมารกรรตะแล้ว ไม่เป็นสมารกรรมตะเพราะอะไรเพราะว่าใจยังขาดความสงบยังกอบด้วยความโลภยังประกอบด้วยความพยาบาทเป็นต้นอยู่เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วความสงบจะเกิดขึ้นภายในจิตใจไม่ได้ในเรื่องของศีลข้อที่สก็มีลักษณะเช่นเดียวกันขั้นของศีลแล้วเฉพาะการประพฤติล่วงในทางประเวณีเท่านั้น แต่เมื่อขั้นของรรมมาถึงขั้นของธรรมะแล้วแม้แต่ใจเกิดกำหนัดเกิดความชื่นชมยินดีในทางเพศต่อชายอื่นต่อหญิงอื่นนอกจากคู่ครองของตนก็ถือว่าเป็นการผิดธรรมะเมื่อผิดธรรมะความสงบก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเรื่องของศีล ก็ดีเรื่องของธรรมะก็ดีที่ทรงแสดงไว้นั้นขึ้นอยู่กับว่าองค์ธรรมเหล่านั้นไปวางอยู่ที่ไหนบางคราวคนอาจจะมองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าไปวางไว้ในที่แห่งหนึ่งองค์ธรรมเหล่านี้มีชื่ออย่างนี้จะมีความหมายกระชับเด่นแล้วก็ควบคุมพฤติกรรมของคนเอาไว้ไม่มีการกระทําในลักษณะที่ผิดพลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางกายทางวาจาและทางจิตใจในศีลจึงมีธรรมะปรากฏอยู่ในขณะเดียวกันในเรื่องของธรรมะก็ต้องมีศีลปรากฏอยู่ด้วยต่างก็เอิงอาศัยซึ่งการเลกิกการอยู่อย่างนี้เพระนาะฉะนั้นเมื่อบุคคลปฏิบัติได้ตามหลักของสัมมากัมมัตต์แล้วความสำรวมระวังในสัตว์ทั้งหลาย ในทรัพย์สมบัติทั้งปวงและในกามทั้งหลายก็จะบังเกิดขึ้นจิตใจของบุคคลเหล่านั้นก็จะสงบจากความอาฆาตพยาบาทสงบจากความละโมบโลภมากสงบจากความมักมากในกามทั้งหลายมีความเยือกเย็นปรากฏขึ้นด้วยธรรมะคือเมตตาสัมมาอาชีวะและกามาสงบน อันเป็นตัวการสำคัญที่จะบรรเทานิวรณซึ่งเกิดขึ้นกลุ่มรวมใจของบุคคลให้สงบระงับลงไปได้ด้วยเหตุนี้สมมาค ร, รมันตะจึงชื่อว่าเป็นองค์อริยมรรคประการหนึ่งในองค์อริยมรรคทั้ง8ประการต่อไปนี้เราขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป